นะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทีเล น, นันิผูติิงยันติตัชมาสีลังวิโสทายาทุเอาต่อนี้ไปตั้งใจกล่าวคำถวายอุทิศส่วนกุศลน้ำบารีนะพี่น้องสถาญาติโยมลูกหลานทุกคนกล่าวคำถวายพระตาหารนะครับตั้งนโมสามจบพร้อมกันก่อนนะครับ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 ประดิษฐ์ประดอยว่างั้นะขนาดญาติโยมที่เขาทำทั้งครอบทั้งครัวนะเนี่ยเรียงผักใส่ถาดนะนานกว่ากูบานั่งสมาธิอีกต่างหากเกูบานั่งสมาธิเนี่ยพอนั่งเข้าไปสีห้านาทีปลอกปละปลอกปลโดดออกจากสมาธิแล้วงานออกจากภาวนาพวกเขาเรียงผักใส่จานใส่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 พวกเราจะมีแต่ความสุขการอยู่ด้วยกันเพราะฉนั้นขอให้พวกเราตั้งตนไว้ชอบเนะในเมื่อตั้งตนไว้ชอบในปัจจุบันได้ก็ดีคนคิดดีทดําดีจะไม่ติดคุกติดตรางนึงมื่อออกจากภพนี้ชาตินี้อย่างที่ว่าตายแล้วไม่สูญอย่างที่หลวงพ่อพูดนะถ้าออกจากภพนี้ชาตินี้กับพวกเราก็ไปสู่สุขติไปสู่ความสุขความเจริญเกิดมาพบหน้าชาติหน้าก็ไปเกิดที่ล่ํารวยเหมาะสมไม่ทุกข์ไม่จน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 ยาถายะถาให้ผีสับผีให้คนผีก็คืออะไรคือที่มองไม่เห็นนะ่ะคือนามธรรม <c oughs> พุที่หลวงรับดับขันไปแล้วนะเอาเตรียมแล้วนะนีนะหลวงพ่อจะให้พรนะนนีนะคณะสงฆ์จะให้พรนะรับพรนะทายาิโยมลูกหลานทุกคนนะถือว่าเป็นวันสำคัญยิ่งที่หลวงพ่อได้ตั้งพูดกล่าวมาเป็นปีๆแล้วนะวันนี้ะเป็นวันสุดท้ายและเป็นวันอุทิศส่วนกุศลนนั้นลูกหลานนะ